ن ع <تصفيق> ت <تصفيق> ت ي سي ت ي ب منك ت ط ي ب بمنا لقد بلغ بارك الله فيه ا ل ا ن أنا أشوف أولا أينه و أينه هو هذا يأتي هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ب ิ سم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت غ ف ر ونستحذى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن س ي ئ ا ع م ا ل ن ا ما يهده الله فلا مضل له وما يدلله فلا هادي ل ع م ا ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักที่ยิครับเรากลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมา ราชาหนึ่งก็ต้องขอมั่ทุกท่กานด้วยนะครับผมหวังว่าสัญญาณเสียงครั้งนี้น่าจะโอเคนะครับให้ผมเช็กดูรูปโอเคแต่ว่าเสียงผมเช็กไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงขอพี่น้องช่วยพิมพ์บอกมาในข้อความนะครับผม้อ ال นอัสลักฮะลิ คำพูดที่สัจจริงดียิ่งที่สุดนะครับก็คือคําพูดของพวกเราซึ่งวันนี้เราจะมาต่อกันในสุระอะชัมสูซึ่งเป็นสูรที่เก้าสิบเอ็ดเมื่อเรียงจากลําดับในอัลกุรอานนะครับผมซึ่งความเดิมตอนที่เราเลยพูดในสุรอเลลก็คือในยามขําคืนในครั้งนี้เรามาคุยกันในอะชัมส์ก็คือขอสาบานด้วยกับดวงอาทิตย์พี่น้องที่รักยิ่งครับในสุระนี้ครับได้ชื่อว่าเป็นสุรมะกี้ยะ สุลามกิยะก็คือเป็นสุราที่ถูกประทานมาก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลองอลัยัสลามนั้นจะทำการอพยพจากนครมักกะเป็นนครบะดีนะสุราี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมดประกอบไปด้วย15ออยะก็คือ15วรรคด้วยกันเป็นการสาบานซึ่ง ตรงกันข้ามกับสุรัตน์ที่เราพูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเป็นสุรัตน์วันไลลีซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าจำนวนที่พระเจ้าใช้นั้นเป็นจำนวนปลายเปิดนั่นก็คือว่ามีการใช้กริยามีการใช้ประธานแต่ละในเรื่องของกรรมนั่นก็คือให้เราจินตนาการเอาตามที่เราความรู้ที่เราจะมีแล้วก็ที่เราสามารถจะคิดต่อยอดไปได้ในขณะที่ในสุรัตน์ชั้มนี้จะเป็นสุรัตน์ที่พระพุทธเจ้านั้นได้กล่าวถึง การสาบานต่ตตตนางๆซึ่งก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์แต่ว่าก็มีความลึกซึ้งในอีกในยะหนึ่งเรามาอ่านอัลกุรอานไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายแล้วก็มาดูว่าอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราจะได้รับสาระอะไรบ้างอินชาอัลลอฮ์ครับผมหลังจกัก أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس ودوحها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلّها والليل إذا ي غ ش ا ه وال وال ا والسماء وما ب ن ا ه ا والأرض وما ط ح ا ه ا و ن و س ف س وما س و ا ه ا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ز ك ا ه ا وقد خاب من دساها. ถึงอายะที วันนี้เราก็จะดูว่าเราจะพูดคุยกันไปได้แค่ไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่จบส่เราเพราะคงจะต้องแบ่งเพราะมีประเด็นที่ว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องที่รักหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูความหมายกันครับในสรวนนี้พวกเราสุภานณวัตราาได้ทรงสาบารในสิ่งต่างๆเจอย่างด้วยกันซึ่งปกติเวลาที่พวกสาบานอะไรปุ๊บก็จะมีสาระที่พงค์ต้องการจะสื่อหลังจากการสาบานนั้น มีการสาบานแล้วก็บอกว่าประเด็นที่ต้องมีการสาบานคืออะไรเหมือนกับคนเราปกติใช่ไหมครับเวลาเราสาบานแล้วก็ตามสมมติเราขอสาบานว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์มันต้องมีเหตุผลว่าทําไมเราถึงสาบานอย่างเช่นเราจะบอกาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันพูดจริงขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันทําจริงก็คือต้องมีเหตุแห่งการสาบานในซูร้อนี้เช่นเดียวกันนะครับมีเหตุแห่งการสาบานซึ่งเหตุนั้นมีเพียงเหตุเดียวแต่ว่าพรอัลลอฮ์ใช้การสาบานด้วยกับสิ่งเจ็อย่าง ซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานครับอย่างที่ผมได้ย้ําเป็นประจํานะครับเป็นคัมภีร์ที่ว่าความหมายนั้นเข้าใจง่ายก็คืออ่านปุ๊บสัมนวนตรงตัวแต่ว่าในความเข้าใจง่ายในการที่ว่าสัมนวนตรงตัวนั้นมีความลึกซึ้งที่ว่ายิ่งเรามีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่แล้วยิ่งจะดื่มด่าแล้วก็อิ่มเอิบกับอัลกุรอานมากขึ้นเท่านั้นคือไม่เหมือนกับหนังสือเล่มใดในโลกเลยคัมภีร์อัลกุรอานนะครับยิ่งเราอ่านยิ่ ง, งรู้สึกลึกซึง้ง ยิ่งเรามีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งมีความลึกซึงในคำพิอัลกุลันมากขึ้นเท่านั้นมาดูในส่วนนี้กันครับผมอายะที่อายะแรกนะครับพุกอัลได้กล่าวไว้นะครับว่าว่าเชิญซิว่าดูฮาขอสาบานต่อดวงอาทิตย์แล้วก็ด้วยกับยามสายของมันยามสายของดวงอาทิตย์ดูฮ uh ่าเฮตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นเริ่มทอแสงได้ช่วงระยะเวลานี้พวกเราได้สาบานด้วยกับดวงอาทิตย์ แล้วก็ด้วยกับการทอแสงของมันอายะห์ที่2ครับวะลกามารีอีดะตละแหแล้วก็ขอสาบานด้วยกับดวงจันทร์เมื่อมันได้ติดตามดวงอาทิตย์มาในภายหลัง <S <S ก็คือเมื่อดวงจันทร์มา <S 1> <S 1> ใช่ไหมครับก็อย่างที่พวกเราทราบก็คือหมายความว่านั่นคือการสิ้นแสงของดวงอาทิตย์ไปแล้ววะลกามารีอีดะตละแหขอสาบานต่อดวงจันทร์เมื่อมันมาภายหลังดวงอาทิตย์ วันนภาอีเลเอห์แล้วขอสาบานต่อกลางวันเมื่อมันฉายแสงของดวงอาทิตออกมาวันนภาอีเดลเลลอร์หขอสาบานต่อยามกลางวันเมื่อได้ทอแสงของดวงอาทิตออกมาวันไลลี่อีเดยักชอร์แล้วก็ขอสาบานต่อยามค่าคืนเมื่อมันได้มาปกคลุมปกคลุมอะไรครับปกคลุมแสงสว่างจากทิศไรสว่างสาบานต่อดวงอาทิต สาบานต่อดวงจันทร์สาบานต่อยามกลางวันสาบานต่อยามกลางคืนต่อมาครับอายะที่5ครับวัสมาอิวมาบานาฮะแล้วขอสาบานต่อท้องฟ้าทั้งหมดแล้วก e e ็ขอสาบานต่อผู้ที่สร้างท้องฟ้านั้ก็คือขอสาบานต่ออัลลอฮ์ก็คือพวกสาบานด้วยกับตัวของพวกเองซึ่งอ้อันนี้แปลได้2ออย่างนะครับก็คือนอกจากจะแปลว่าขอสาบานต่อท้องฟ้าแล้วก็ผู้ที่สร้างมันมาก็แปลว่าขอสาบานต่อท้องฟ้าและการสร้างท้องฟ้า มีสองความหมายว่าอาร์ดิว่ามาต่ฮาฮาแล้วก็ขอสาบานต่อผืนแผ่นดินแล้วก็การทำให้มันนั้นแผ่ราบการทำให้มันนั้นแผ่ราบว่านับซิวว่ามาเศวาฮาแล้วก็ขอสาบานก่อชีวิตจิตใจอาจจะแปลว่าวิญญาณอาจจะแปลว่าร่างกาย วานับซิววมาสาวะหาขอสาบานต่อร่างกายแล้วก็การสร้างร่างกายขึ้นมาฝาอัลฮมามาฮาผูจูรฮะวัตควะห า, หาแล้วก็การที่พวกเรานั้นได้ให้จิตใจนั้นได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายสาบานมาถึง8ดอายะเจอย่างด้วยกันกลางวันกลางคืนดวงที่อ่ำขอรือดวงทิศดวงจันทร์กลางวันกลางคืนมีท้องฟ้ามีแผ่นดินแล้วก็มีร่างกายมีจิตใจ สุภาน ล, ล้อครับทั้งหมดที่พวละนำมาสาบานทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่พวละพูดต่อมาหลังจากการสาบานพวละกล่าวว่ากอตอัฟละฮามันซักก่หาจากที่ว่ามาทั้งหมดที่พวละสร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้งของฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างกลางวันสร้างกลางคืนพวละสาบานเป้าหมายของการสาบานพงบอกว่าไงครับกอตอัฟละฮามันซักก่หาใครก็ตามที่เขานั้นสามารถขัด เกาจิตใจของเขาได้เขาได้รับชัยชนะแล้วนั่นก็คือเขาได้รับประโยชน์แล้วประเด็นตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ว่าน่าสนใจที่ว่าอินชาล็อกครับเรามาคุยกันเป็นต่อเป็นต่อนะครับผมกลับไปจากอันแรกครับถ้าเกิดเราดูครับทั้งเจ็ดสิ่งที่พอร์ลัสาบาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์หรือเป็นความรู้ที่ว่ามนุษย์เรายังต้องศึกษาแล้วยังศึกษาอย่างไม่หมด หมายความว่าเมื่อพวกเราบอกว่าขอสาบานต่อดวงอาทิตย์ศาสตร์เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ครับนักดราราศาสตร์ในปัจจุบันนั้นก็ยังไม่มีใครที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเขาเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับดวงอาทิตย์แล้วก็แปลเรื่องของดวงอาทิตย์ยังมีเรื่องให้เราต้องเรียนรู้ให้ศึกษาอีกมากมายแปลว่าศาสตร์นี้ยังต้องไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเช่นเดียวกับดวงจันทร์ครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่มีคําตอบอีกหลายอย่าง เป็นจํานวนมากส่วนหนึ่งที่ว่าเรารู้เรื่องของดวงจันทร์แล้วแต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าจากที่พงล์รัสาบานทั้งหมดน่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าความรู้ของมนุษย์เนี่ยกำลังค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆมีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับกลางวันเช่นเดียวกันกับกลางคืนซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องศึกษาต่อแล้วก็ท้องฟ้าแล้วก็ผืนแผ่นดินที่ว่ายังมีประเด็นที่ว่าต้องศึกษามากมายแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อมาพูดถึง อายะต่อมาอายะที่แปดครับเมื่อพล้อพูดถึงจิตใจผู้ที่ขัดเกลาจิตใจนั้นเขาจะได้รับชัยชนะในประวัติศาสตร์ของวิชาวิทยาศาสตร์ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเร า, ารู้เรื่องของการแพทย์เรื่องของการรักษาร่างกายเรื่องของการรักษาอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยการแพทย์เราเมื่อเทียบกับพันปีที่แล้วเนี่ยถือว่าก้าวหน้าไปอย่างค่อนข้างจะมากเลยคือแทบจะพลิกความรู้เลยความรู้มีการ ต่อยอดมากในเรื่องการรักษาเพรียงแต่หนึ่งในความรู้ที่แทบจะไม่ไปไม่ถึงไหนเลยคือความรู้เรื่องอะไรครับความรู้ในเรื่องของจิตใจคนในเรื่องของจิตแพทย์ในเรื่องของแพทย์ในศาสตร์ที่ว่าเกี่ยวกับจิตใจของคนเรายังแทบพัฒนาไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เลยเมื่อเทียบกับ4500ปีที่แล้ว7800ปีที่แล้วบางส่วนเรารู้แต่ว่าหลายๆส่วนเรายังทําอะไรไม่ได้เหมือนกับการรักษาถ้าเกิดว่าคนเป็นโรค ภายนอกโรคเกี่กับร่างกายอวัยว ะ, ะไหนก็ตามแต่เรื่องไวรัสเสื่องอะไรก็ตามแต่เรามีอยู่มียารักษาให้หายได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของจิตใจครับไม่มีอยุ่ยาไหนที่สามารถรักษาโรคของหัวใจได้ที่นักจิตแพทย์หรือว่าที่ใครเท่าที่จะทำได้ก็คือต้องพยายามพูดให้ข้อมูลให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถผ่านผลมันมาได้ด้วยตัวเขาเองถ้าจะมียาก็เป็นเพียงแค่ยาบรรเทา อย่างนี้ปัจจุบันนะครับอย่างที่เราทราบก็คือนวัตกรรมเนี่นไปไกลมากเหลือเกินแต่หนึ่งในโรคของจิตใจที่ว่าเริ่มแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ อ, อย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นเหตุที่ทําให้คนปกติที่ว่าไม่น่าจะคิดไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะฆ่าตัวตายได้ซึ่งเราก็พบดูหน้าข่าวครับขึ้นฝีดมาประจําครับบางคนเป็นดาราบางคนเป็นนักร้องบางคนเป็นใหญ่คนโตบางคนเป็นคนร่ํารวย แต่แเราก็พบว่าศาสตร์ในเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ว่ามนุษย์เรายังยังไม่สามารถไปไหนได้ไกลเท่าไหร่คือยังต้องศึกษาอีกมากอยู่ซึ่งในสุรษัลอะชัมส์นีครับพี่น้องที่รักยิ่งครับถ้าเรามาดูตั้งแต่ยารแรกที่ว่าบอกว่าชัมซีวัด uh ูหาหาขอสาบานต่อดวงอาทิตย์แล้วก็ในายามสายของมันเมื่อเราพูดถึงดวงอาทิตย์ครับโรยโฉพ า, าดอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าหนึ่งในสิ่งที่ว่าเราคุ้นเคยมากที่สุดใกล้ชิดกับเรามากที่สุด ซึ่งในอดีตครับดวงอาทิตย์ก็ได้ถูกใช้เป็นสิ่งที่แสดงถึงพลังอํานาจของความเป็นพระเจ้าถ้าเกิดว่าพี่น้องดูประวัติศาสตร์ของท่านอบีุิบรอฮิมตอนที่ว่าท่านอบีได้พูดกับกษัตริย์น้ำรูทตั้งเลี้ยวเป็นจักรพรรดิน้ำรูทก็คือจักรพรรดิน้ำรูทคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจล้นฟ้าและก็คือใครเนะี่ยต้องเชื่อแล้วก็เขาแทบเป็นสมมุติเทพเขาก็ถกเถียงกับนบีอิบรอฮิมบอกว่าไหนพระเจ้าของเจ้าเป็นไงนบีอิบรอฮิมก็บอกไงครับพระเจ้าของฉันคือคนนที่ใใหห้้้เป็กับตายได กษัตริย์น้ำรุ่ก็บอกว่าฉันก็ให้เป็นเหตุตายได้กษัตริย์น้ำรุ่ดเอานักโทษต้องประหารชีวิตเอามาสองคนคือสองคนเนี่ยต้องถูกตัดสินให้ตัดคอแล้วกษัตริย์น้ำรุ่ดก็บอกว่าเอาคนแรกเนี่ยฉันปล่อยฉันไม่ฆ่าเห็นไหมฉันทําให้เขาเป็นในขณะที่คนเนี่ยเขาสั่งประหารชีวิตกษัตริย์น้ำรุ่ก็บอกนี่ไงฉันสั่งฉันทำให้เขาตายแล้วซึ่งเป็นการให้เป็นให้ตายจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่ในความหมายของพระเจ้า ท่านเบีอิบราฮิมก็ได้พูดบอกว่าแน่นอนพระอัลลอฮ์นั้นให้ดวงอาทิตย์นั้นขึ้นทางทิศ ต, ตะวันออกแล้วก็ตกในทิศ ต, ตะวันตกหากคุณคิดว่าคุณเป็นพระเจ้าคุณก็ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกแล้วก็ตกทางทิศ ต, ตะวันออกสิฟา บ, บุฮตันยาดีกะฟัดน้ำรุ่ก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าจนด้วยกับเหตุซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยครับอย่างที่พวกเราทราบความ ยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์พลังงานที่โลกเราได้รับนี่มายาวนานแล้วจนถึงปัจจุบันซึ่งเราก็ยังคงได้ประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันสิ้นโลกนี่แหละครับซึ่งมีประโยชน์มากมายในนั้นและในขณะเดีวยวกันพวกอัลลอฮ์ก็ให้เป็นการเตือนสติมุสลิมให้รู้ว่านี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของการสร้างของอัลลอฮ์นะ เช่นเดียวกับวัลกล๊อกมาอีญาแต่ละแหเป็นการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าเราเห็นกันในยามค่ําคืนเห็นกันจนเคยชินแต่ว่าในขณะเดีวยวกันบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บางทีเราไปคิดถึงอย่างอื่นไปคิดถึงฟูมูลปาร์ตี้ไปคิดถึงน้ําขึ้นน้าลงไปคิดถึงอะไรที่ว่ามันอาจจะยังประโยชน์ให้กับเราระดับหนึ่งแต่เป็นเพียงการยังประโยชน์ของโลกดุนยาเท่านั้นไม่ได้ยังประโยชน์ต่อถึงโลกอีกหรือ วันแฮรี่อิดาเยลเล่ฮะขอสาบานต่อกลางวันเมื่อมันฉายแสงแปลได้อีกอย่างนึงครับขอสาบานต่อยามกลางวันเมื่อแสงของมันได้ทอดมาที่ผืนแผ่นดินถ้ามองในความความหมายนี้เราก็จะได้ความเข้าใจหรือว่ารูปอีกแบบหนึง่งเราก็จะเข้าใจอีกแบบหนึง่งวันไลลี่อิดายักเช่ฮะขอสาบาต่อยามกลางคืนเมื่อมันมาปกคลุมแสงสว่างหรือว่ามาปกคลุมโลกเช่นเดียวกัน ว่สมาอวมาบดาน่าห์ลอารดีวมาตห่าหอาข้นี้ครับข้อที่หกในสุรอาชัมสเนี่ยเป็นประเด็นที่ว่านักวิชาการพูดคุยกันมาเยอะแล้วก็หลักฐานบทเดียวถูกเอามายกในสองฝ่ายที่เห็นต่างกันพี่น้องคงเคยได้ยินประเด็นถกเถียงในเรื่องว่าตกลงโลกกลมหรือว่าโลกแบนซึ่งปัจจุบันก็นักวิชาการแทบทั้งหมดก็คือเห็นไปทางทิศทางเดียวกันแล้วว่าโลกกลมแต่ถ้าในอกีตในอดีตเขาก็จะมองว่าโลกแบน อันนี้คืออายาที่ถูกหยิบยกมาเป็นหลักฐานซึ่งอญญายา t h i สามารถแปลได้แปลได้ทั้งสองในยะาครับผมเพราะในยาน่า t h i พวกเราลอกกล่าวว่าไงครับว่าอัดนิวามาต่อฮาฮาขอสาบานต่อโลกและการที่ทำนั้นโลกให้การที่ทาให้โลกนั้นแผ่กระจายออกไปคนที่บอกโลกแบนก็เห็นไหมเนี่ยแผ่กระจายก็แปลว่ามันต้องแบนคนที่บอกโลกกลมก็บอกว่าก็แผ่แบบโลกกลมมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่เลย ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ว่าผมไม่ขอแตะลึกในด้านนี้เพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับผมเรามาประเด็นสำคัญดีกว่าวะเนฟซิววะมาเซวะที่พวงร้อยสาบานเกี่ยวกับจิตใจฝ่อัลฮามะฮะฟูจูรอหะวะตะวะหะพวงร้อยนั้นได้ให้จิตใจของเรานั้นมีความสามารถที่จะแยกถูกที่จะแยกผิดประเด็นนี้ครับถ้าเกิดเรามองดูใน การสร้างสารรค์ของพวกอัลลอฮ์ครับเราจะพบว่ามีสิ่งที่ว่าพวกอัลลอฮ์สร้างมาที่ว่าเป็นมะซุมเขาไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเลยนั่นก็คือมอาาะไรกัในขณะเดียวกันก็มีสิ่งมีชีวิตที่ว่าทําแต่สิ่งที่แบบว่าอาจจะมีทั้งเล่เททั้งอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าไม่ถูกเอาผิดเลยนั่นก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายแพะแกะวัวควายอะไรก็ตามแต่มันทําอะไรก็คือมันอาจจะทําร้ายกันเองมันอาจจะฆ่ากันมันอาจจะช่วยกนันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ แต่เป็นสิ่งมิชิดที่ว่าพวกเราไม่เอาผิดสิ่งเหล่านั้นส่วนมนุษย์เราครับอยู่ตรงกลางเราไม่ใช่มาสูมก็คือเรามีโอกาสทำถูกแล้วเราก็มีโอกาสทำผิดแต่ไม่ว่าเราจะทำถูกหรือเราจะทำผิดเราต้องถูกสอบสวนเราต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่เราทำพี่นักศิลป์ยิ่งครับถ้าเรามาพูดถึง จุดเริ่มต้นของการที่เราถูกสอบสวนนะครับผมเราจะพบว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยที่พู้อัลลอฮ์เก่าวในกุรอานมี3ประเภทจิตใจที่พู้อัลละฮ์ตำหนิมีทั้งอายะกุรอานที่พู้อัลลอฮ์ตำหนิจิตใจของมนุษย์มีทั้งอายะฮ์กุรอานที่พู้อัลลอฮ์นั้นพูดชมเชยจิตใจของมนุษย์แล้วก็มีทั้งอายะกุรอานที่พู้อัลลอฮ์พูดถึงจิตใจที่พู้อัลลอฮ์ยอมรับแปลว่าจิตใจคนเนี่ยมันมีหลายระดับ จิตใจที่ถูกพัวเราตําหนีครับอยู่ในสุรยุทธสุขครับอินนันนับเซและอัมมาระตุนบิสุหรือยักกุลังที่ก่อนหน้านั้นที่ที่ผัวล้อกล่าวไว้นะครับว่ามาอุบาริอุนับซีอินนันนับเซลอัมมาระตุนบิสุซึ่งก็ว่ากัว่าเป็นคำพูดของท่านหญิงสุไลคอที่บอกว่าฉันไม่ฉันฉันจะไม่มีบอกหรอกนะว่าฉันนั้นเป็นคนดีประเสริฐอะไรเพราะว่าจิตใจของฉันนั้นก็สั่งใช้ให้ทําแต่ความชั่วหลายก็แปลว่าบอกว่าเมื่อพูดถึงจิตใจประการแรกพววล้อบอกว่าจิตใจคนนั้้นนเป็จจิตใใที่่่วาชชอบสัง ให้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นคือธรรมชาติของจิตใจแต่ในขณะเดียวกันครับจิตใจคนไม่ใช่ว่าจะสั่งให้ทำแต่เรื่องที่ชั่วร้ายยังมีจิตใจประเภทที่สองครับจิตใจพิสังที่พระกาวไว้ก็คือวัลลาโอคัสิมูบินนับสินลาวามาหลังจากพุทธกาวในสุลกิยาหมาฉะมจพิวัลลโอคัสิมเบลมิลกิยาหมวัลลาโอคัสิมูบินนับสินลาวามะฉันขอสาบานต่อวันกิยาหม แล้วฉันขอสาบานต่อชีวิตที่รู้จักตําหนิตนเองอันนี้คือจิตใจแบบที่สองครับพี่น้องจิตใจแบบที่สองก็คือจิตใจแบบแรกที่พวกเรากล่าวเรียกกุรานคืออะไรครับจิตใจทั่วๆัวไปที่ว่าชอบสั่งใช้ให้ทําความช่วยนั่นคือจิตใจของคนทุกคนมนุษย์ทุกคนเรามีความรู้สึกด้านนี้แต่ในขณะเดียวกันในหัวใจของเราในความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดที่ว่า ยังรู้ผิดชอบชั่วดีก็คือเวลาเราทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะคอยตําหนิตัวเองโอ้ทำไมฉันถึงทาสิ่งนี้ไปเนี่ยฉันไม่น่าทําอย่างนั้นเลยฉันน่าจะทาดีกว่านี้ฉันต้องไปขอโทษเขานะอันนี้คือชีวิตที่รู้จักตําหนิตนเองซึ่งเป็นด้านของจิตใจอีกด้านหนึ่งที่ว่ามุสลิมเราจําเป็นจะต้องมีแล้วต้องรักษามันไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจส่วนนี้หายไปจากเราเมื่อนั้นคือมีปัญหาละวเมือนั้นคือมีปัญหาแล้ว ต่อไปครับจิตใจรูปแบบที่3ครับจิตใจที่ว่าผ่านบททดสอบมาอย่างยาวนานแล้วก็ผ่านบททดสอบในสภาพของบ่าวที่อัลลอ์รักอัลลอ์เรียกว่าเป็นนับซุนมุจมาอินะออนะเพราะเราอ่านในซอวัลฟัชครบว่าเยาอเยตุฮันนับซุนมุตมอินนะอริรจัอีอีลารับบิก ร, ด า, รดาดิยตัมมรดิยะฟะดอัลลีฟิอิบัลีวดอลีะีเมื่ออัลล์ให้มาลิกะมาเก็บดวงวิ ญ, ญญาณของคนที่ดี มรีกาก็จะบอกว่าไงครับโอ้ชีวิตที่สงบแล้วอิยุนับสุนมุตมาอินนีชีวิตที่มีความสงบจงกลับไปหาทีบ้านของเจ้าโดยที่พระ อ, องค์ก็พอใจเจ้าแล้วเจ้าก็พอใจในพระ อ, องค์แปลว่าเมื่อพูดถึงจิตใจของเราเนี่ยครับสุภาณล้อจิตใจของเราเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันซับซ้อนมากๆถึงขั้นว่าวิทยาการในเรื่องของจิตใจเนี่ยไม่สามารถที่จะไปไกลได้เท่ากับ วิทยาการแพทย์ในด้านอื่นๆในศาสตร์อื่นเนี่ยเรื่องจิตใจนี่ถือว่าไปได้ช้ามากๆทีนี้ครับเมื่อเรามาพูดถึงจิตใจครับจิตใจของเราเนี่ยนะครับพี่น้องครับสามารถทําให้เรายกระดับตัวของเราให้อยู่ในระดับใกล้ชิดใกล้เคียงกับมลาลงกาได้ในขณะเดียวกันใจของเราเนี่แหละก็สามารถทําให้เรานั้นมีระดับใกล้เคียงกับสัตว์ได้ ในขณะเดียวกันครับใจของเราเนี่ยก็สามารถทําให้เราตกต่ํายิ่งกว่านั้นไปถึงระดับของชตอนได้นี่คือประเด็นที่สําคัญของหัวใจครับที่ท่านนาบีมุสลิมบอกใช่ไหมครับว่าในร่างกายเนะี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงถ้ามันดีทุกอย่างดีถ้ามันแย่ทุกอย่างแย่ก้อนเนื้อนั้นคือหัวใจเรามาดูอายะกรานต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของจิตใจของเราที่มันจะชักนําเราไปประการแรกครับ ที่บอกว่าใจของเราเนี่ยมันสามารถชักนำให้เรานั้นเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอ์โดยมีสภาพที่ใกล้เคียงกับมล า, ายแกได้ยังไงครับในยคกูรานพุว่าอธิบายถึงคุณลักษณะของมล า, ายแกว่ายาคอฟูนารับบะฮุมมินเฟลกีฮิมวยะฟัยดูนะมายุมารุนพวกเขาเหล่านั้นมาถึงมล า, ายแกนะ่ะเขากลัวผู้อวิบาลที่อยู่เหนือพวกเขาแล้วพวกเขาทาตามที่ถูกสั่งใช้แล้วพวกเขา ทำตามที่ถูกสั่งใช้เหมือนความว่าไงครับมลายแกนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่ว่าไม่ฝา่าฝืนคําสั่งต่อพู้อัลลอฮ์แล้วก็หวาดกลัวต่อผู้อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นจิตใจของใครก็ตามที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วเขากลัวต่อผู้อัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วเขาทําตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์พยายามขัดเกลาตัวเองให้อยู่ใกล้ชิดกับคําสั่งของอลัลลอฮ์มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดบ่าวคนนั้นก็มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับมลายแกในด้านที่ว่าเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รัก แต่เราต่างกันนะเพราะความรักของผู้ล้อที่มีต่อมาลากะร์กับความรักของผู้ล้อที่มีต่อมนุษย์นั้นแตกต่างกาันเมื่อผู้ล้อรักมนุษย์ผู้ล้อตอบแทนเราเด้วยกับสวรรค์ที่เราได้อยู่ตลอดการเพราะถือว่าเราได้รับบททดสอบที่มาลากะร์ท่านไม่ถูกทดสอบเพียงแต่ว่าในความเป็นบ่าวของพระเจ้าเราคล้ายกันตรงที่ว่าเราพยายามทําในสิ่งที่พระเจ้านั้นรักในสิ่งที่พระเจ้านั้นชอบแล้วอะไรก็ตามที่พระเจ้าไม่ชอบเราก็จะไม่ทํา มันเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากหัวใจถูกไหมเริ่มจากก้อนเนื้อก้อนนี้แหละที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยที่มันเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะละหมาดที่มันเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะเรียนรู้มากๆที่มันเป็นแรงผลักดันอยากให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮฺแปลว่าใครก็ตามที่เอาหัวใจมาเป็นแรงผลักดันใช้ให้เขาทําสิ่งเหล่านี้อินชาอัลลอฮฺเขานั้นรอดพ้นจากบททดสอบ แต่ในขณะเดียวกันครับก็มีคนที่ว่ามีใจมีหัวใจมีความนึกคิดพวกอร์ลให้รู้ถูกใครรู้ผิดแต่เขากลับทําตัวไม่ต่างอะไรกับสรรัตว์สัตว์อื่นๆเมื่อกี้คือทําตัวคล้ายกับอะไรกันอันนี้คือคล้ายกับสรรัตว์คล้ายกับสัตว์แต่มันไม่เหมือนสรรัตว์ตรงไหนครับสัตว์ทําสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ชั่วร้ายถึงเวลาพอร์ลจะสอบสวนแต่มันก็จะกลายเป็นดินไปไม่ถูกลงโทษแต่มนุษย์หากทําตัวเหมือนกับสัตว์หรือว่าแย่ยิ่งกว่าสัตว์ มีการลงโทษขอล้อที่รอคอยอยู่โนอาซบินแลเพราะนั้นเราไม่ใช่ทั้งมรารยา์แล้วเราก็ไม่ใช่ทั้งสัตว์เราเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นหมวกกลรรับที่ว่าเป็นผู้ได้รับบททดสอบโพล้อกล่าวถึงบุคคลที่ว่ามีหัวใจที่ว่าบิดเบี้ยวหัวใจที่ว่ามีความคิดที่ว่าผิดพลาดที่ทำให้ตัวเขานั้นต้องเหมือนกับสภาพสัตว์ทั่วไปพล้กล่าวครับ ولقد ول ول ذ ول ك ك ول ر َ ن ا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم ق ُ ل و ب لا يفقهون بها ولهم ع ي ن لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أبل أولئك هم غافلون พราะเรกล่าวนะครับว่าแล้วเราเนี่ยได้ต้อนให้ลงไปยังไฟนรกส่วนมากของยินแล้วก็มนุษย์ ยินกับมนุษย์ส่วนใหญ่พวกเราจะลงไปในลกคุณลักษณะของเขาเป็นงไงครับลาหุมก ah um oh ah ูลูบุนลายฟกหูเนบีฮาเขามีหัวใจที่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจส่วนที่เขาควรจะต้องเข้าใจลาหุมก ah um, oh ah ูลูบุนลายฟกหูลนบีฮะมีหัวใจหัวใจก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาไม่เคยให้เขาสำนึกผิดชอบชั่วดี หัวใจนั้นไม่มีความละอายในการทำสิ่งที่ชั่วร้ายหัวใจนั้นไม่เคยมีความรู้สึกผิดที่จะไปล่วงเกินคนอื่นไปอาธรรมต่อคนอื่นหัวใจก็ไม่ได้คิดอะไรวาลาหุมอยะยุนลาบซิรูนะบยามีตก็ไม่รู้จักใช้ดูที่ที่ควรจะดูอาจจะไปดูสิ่งที่ฮารอมหรือว่าเห็นอาธรรมพฤติกรรมที่ชั่วร้ายอยู่ต่อหน้าแต่ไม่เคยคิดจะห้ามปามหรือเห็นสิ่งที่ควรจะส่งเสริมแต่ก็ดันปล่อยทิ้งไป พราเราบอกว่ามีตาแต่เป็นตาที่ไม่ได้ใช้ดูวะลาฮุมอาดานุลยาสมาอูนบิฮะแล้วเขาก็มีหูแต่ก็เป็นหูที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันอย่างแท้จริงอาจจะไปฟังคนที่เขานินทาใส่ร้ายเอาไปฟังเรื่องที่ไม่ดีเอาไปฟังอบายามุกหรือว่าไปฟังสิ่งรามุกหรือไปฟังเพลงฟังอะไรก็ตามแต่พวกเราบอกไงครับอุลาอีกะกะอันอมัมพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับปสัสสตว์เหมือนกับวัวควายแพะแกะ บัลฮุมอดอลแต่พวกเขานั้นตกต่ำกว่าเสียอีกเพราะสัตว์เหล่านั้นมันมีสมองก็จริงมีหัวใจมีหูมีตาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกทดสอบว่าถ้าทำถูกแล้วจะได้รับการตอบแทนทำผิดก็ถู ก, ถ, ก, ถ, ก, ถ, ก, ถ, กถูกตอบแทนเช่เดียวกันเพราะฉะนั้นการที่คนเราเลือกทำตัวให้ตกต่ำยิ่งกว่าสัพพสัตว์มันแสดงถึงความตกต่ำอย่างกี่สุดเหมือนกับเรื่องการแต่งกายครับปัจจุบันเราชอบแต่งตัวโป๊เปลือยซึ่ง ถ้ามองตามมุมมองคนที่บอกว่าคนเราวิวัฒนาการมาจากลิงเรากําลังจะกลับไปเป็นลิงอีกรอบหนึ่งเห็นด้วยไหมครับลิงไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วคนก็บอกโอเคยึด okay, เอาลิงเป็นบัมพ้บุรุษนั้นก็จะกลับไปไม่ใส่เสื้อผ้าเห ม, มือนบัมพ้าบุรุษอย่างนั้นหรือเปล่าคนเรากําลังตกต่ําลงในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของศีลธรรมอีกอายะหนึ่งครับผพวะเราได้กล่าวไว้ครับว่าอ้อไอตามานิ ต, ตกาก ะ, ะตะอิลาห์ฮาวะฮูอ้ฟันเตตเตคูนอะลเลหิบุคีลา อัมท حاسب อันอักรธรรมย่อมสเ่งอันหรือยังกินอินหุมอิลล า, า, ารกันอามบัลหุมอัตุสบีลาพระไตรปิฎกนะครับผมเจ้าเห็นไหมละ่ะคนที่เขายึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้ายึดเอารมณ์เป็นพระเจ้าคืออะไรครับฉันอยากทําฉันก็จะทําฉันไม่อยากทําฉันก็จะไม่ทําพ่อแม่อย่ามาสั่งใช้ฉันกุรอ่านหะดี ษ, ษจะมาว่าเลยฉันไม่สนถ้าฉันไม่ทําฉันก็ไม่ทํา นี่คือยึดเอาอารมณ์ตัวเองเป็นพระเจ้าคิดว่าตัวฉันเองเนี่ยเพียงพอแล้วที่อยู่ในดุนยาจิตใจรูปแบบนี้ครับเพราะว่าเก่าในกรรานว่าไงครับเจ้าคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นที่พึ่งพิงได้กันนะหรือคนประเภทเนี่ยเจ้าคิดหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นส่วนมากของพวกเขาได้ยินอะไรหรือว่าคิดอะไรพวกเขาเหล่านั้นนั้นไม่ต่างอะไรกับสรรัปสัตหรือว่าแย่ยิ่งกว่านั้นซะอีกจริงๆแล้วพวกเขาแย่กว่าซะอีก จากอิยากรานี้ชี้ให้เราเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันครับว่าหัวใจเรานี่แหละเป็นตัวที่กําหนดว่าคุณค่าของเราค่าในความเป็นคนของเราอยู่ในสถานะแค่ไหนอยู่ในสถานะของกลุ่มบ่าวที่อัลลอฮ์รักหรือว่าอยู่ในสถานะที่ว่าต่ําต้อยยิ่งกว่าสรพสัตก็คือมีตาไม่ใช้มอง ให้เห็นจริงๆมีหูไม่ได้ใช้ฟังจริงๆมีสติปัญญาไม่ได้ใช้คิดจริงๆมีใจก็ไม่ได้ใช้ใจคิดจริงๆแต่ว่าถึงเวลาปุ๊บก็ตามแต่อารมณ์ไฝ่ต่ำนะอูจูบิลาเมนดาลิผู้พูดไม่ได้ประเสริฐกว่าผู้ฟังนะครับแล้วก็เอาอาัคกุรานมาแล้วก็หวังว่าจะเป็นการาเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านตามควาสัพพสัตนี่แย่แล้วนะพี่น้อง มีแยกกว่านี้อีกก็คืออยู่ในระดับเดียวกับชตอนเพราะระดับสัรพสว์นี่คืออย่างที่เราบอกแล้วว่าสัรพสารเนี่ยถึงเวลาไม่ถูกลงโทษแต่ถ้าเป็นชัตอนคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่จะถูกลงโทษหนักที่สุดการเอาตัวไปอยู่ในสถานะเดียวกับชัตอนจึงเป็นการทําร้ายตัวเองที่น่าหวาดกลัวที่สุดแล้วยิ่งกว่าการฆ่าตัวตายสิเพราะฆ่าตัวตายมันจบมันเหมือนจะจบ แต่ทำตัวเหมือนกับชัยตอนมันยิ่งไปต่อแล้วมันหนักกว่านั้นครับนะอูจบิลลมินดาลิครับเรามาดูในอัลกุรอานที่มูราพูดถึงครับผมอินนัมมาดะลิคม um ุชัยตอมยุขาฟุออลิยาเอห์ฟลาตุขาฟุฮ ok ุมวะขาฟุนีอินกุนต um ุมูมนนแน่นอนเนี่ยชัยตอนเนี่ยมันจะชอบสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่เป็นพวกเดียวกับมันคนที่ยึดเอามันเป็นพวกสร้างความหวาดกลัว อายกุราานี้อยากให้พี่น้องตั้งใจคิดจริงจังเรากลัวสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวเยอะแค่ไหนเรากลัวสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวเยอะแค่ไหนบางท่านอาจจะกลัวแมงมุมบางท่านอาจจะกลัวแมงสาบบางท่านอาจจะกลัวความยากจนบางท่านอาจจะกลัวที่จะไม่หล่อไม่สวยกลัวที่จะอ้วนกลัวที่จะอะไรก็ตามแต่เรามีความกลัวที่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแค่ไหน ถ้าพี่น้องมีขอให้รู้ว่าชัตอนอยู่เบื้องหลังที่ทําให้เรากลัวสิ่งเหล่านั้นจริงอยู่ธรรมชาติจิตใจเรามันกลัวอยู่แล้วแต่ว่าชัตอนเนี่ยมันนั่งบนหัวใจเราแล้วมันคอยทําให้เราเนี่ยคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เรามีแต่ความกลัวจะทําอะไรกับกลัวไปหมดบางคนเรียนศาสนาเดี๋ยวฉันจะหาอะไรกินอันนี้มุกคลาสสิกคําถามคลาสสิกที่โดนถามบ่อยมากตอนที่ช่วงที่ว่าพวกผมเรียนศา ส, สนาช่วงแรกๆ แ, แล้วไม่ใช่เดียวกันกันกบ เพื่อนๆหลายคนกับคนในยุค ป, ปัจจุบันเรื่องศาสนาจะอาอะไรกินคําตอบคือเราไม่ใช่เรียนศาสนาเพื่อเอาอะไรกินแต่เราเรียนศาสนาเพื่อให้รู้วิธีเป็นคนพอเป็นคนปุ๊บจะทําอะไรแล้วก็ทําแบบคนนี่จะทํางานก็ทํางานแบบที่คนทํางานจะกินก็กินแบบที่คนกินจะดื่มก็ดื่มแบบที่คนดื่มก็แปลว่าศาสนามันไม่ใช่ตัวที่ว่าเราตั้งเป็นเป้เปาหมายว่าจะหากินกับมัน แต่ด้วยกับศาสนาเนี่ยที่เราตั้งเป็นเป้าหมายว่าเราจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักเราไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนอกจากเราจะต้องเรียนรู้ศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลายครั้งเราจะกลัวเรื่องมาเป็นล่วงเรื่อ ง, องบางทีเป็นเรื่องที่ขัดกับที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าไงครับเวลามีลูกอย่าได้กลัวว่ามีลูกแล้วจะยากจนความคิดของเราความเชื่อของเรามีลูกมากจะยากนานบางคนมีลูกคนเดียวนี่คือหมดเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสน แล้วก็มาคิดว่าเออถ้าฉันมีลูกมากกว่านี้ฉันคงอยู่ไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องอันนั้นเป็นความคิดพื้นฐานของคนทั่วไปแต่สำหรับมุสลิมเราแล้วต่อให้เราไม่เข้าใจแต่พวละ ร, รับปรองว่าเราเป็นผู้ให้ดิสกีเจ้าแล้วก็เป็นผู้ให้ดิสกีเขาอย่าได้กลัวว่ามีลูกแล้วจะยากจนพวละพูดประนามใครก็ตามที่ฆ่าลูกเพราะว่ากลัวไม่มีกินขนาดฆ่าลูกเพราะกลัวไม่มีกินพวละยังประนาม แล้วในปัจจุบันที่ว่าฆ่าลูกเพราะว่าไม่รู้จะเอาลูกไปทําไมหรือว่าอาจจะมัวแต่สนุกอย่างเดียวเราไม่ทันป้องกันตัวแล้วฆ่าลูกยิ่งถูกสมควรถูกประนามหนักกว่านั้นยิ่งขึ้นไปอีกกับมีอะไรอีกหลายหลยอย่างครับที่ว่าพวกเราเล่าบอกอย่างแต่ชัยตอนก็มาทําให้เรากลัวแล้วเราคิดไปอีกอย่างหนึง่งอย่างบางคนครับฉันอยากจะรักษาจุดยืนในการเป็นมุสลิมของฉันแต่ว่าในเนี่ยตอนเนี่ยที่ที่ฉันทํางานอยู่เนี่ย เขาห้ามฉันละหมาดเด็ดขาดเลยห้ามฉันแสดงพฤติกรรมอะไรที่เป็นมุสลิมฉันไม่สามารถละหมาดได้เลยแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยมันก็ชวนแต่ไปกินเหล้าอย่างเดียวบางทีฉันก็เผลอกินไปด้วยซ้ําแต่พอฉันจะออกจากกนฉันก็กลัวจะตกงานบางคนกลัวมันเป็นความกลัวมันก็เป็นความกลัวพวกเราบอกในกุฎานว่าไงครับชัยตอนเนี่ยมันจะให้พวกของมันเนี่ยกลัวไปซะทุกเรื่องให้กลัวให้มากๆ อันนั้นก็กลัวนี้ก็กลัวเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ว่ากลายเป็นระดับขั้นเดียวกับชัยตอนก็คือจะยืนหยัดในไปการเป็นมุสลิมก็กลัวไปสักทุกอย่างจะทําอะไรตามที่อัลลอฮ์บอกก็กลัวจะทําอะไรตามที่ดะบีบอกก็กลัวยังมีมากกว่านี้ครับที่เรากล่าวในกรอานเช่นเดียวกันครัว่ายายูลาดีนามนูอิดะมลขามรุบัลไมซรุบัลอันซาบุบัลอาซลามิเตซุมินอามชัยตันฟาจิตนิบูฮุลละกุมทุฟลิฮุนพอเราบอกถึงการงานของชัยตอนด้วยคือพฤติกรรมที่ชัย สุราการดื่มเหล้าการเล่นการพนันการเสียงติ้วการเสียงไทายทั้งหลายนะครับผมเช่นเดียวกันกับขอมากครับผมเรื่องของการทําพิธีกรรมบวงสรวงต่างๆเนี่ยเป็นการงานของไชยตอนจงออกห่างจากมันเสียมุสลิมเราบางครั้งครับเราก็ยึดติดอยู่กับเรื่องพวกนี้เรื่องของการทํานายทายทาดเลยเนี่ยถ้าเกิดฉันเอานี่มาติดมันจะเป็นสิริมงคลให้กับบ้านฉันฉันต้องมีนานกวากนะฉันต้องมียันนะฉันต้อง บางทีก็ไปดูบางทีเปิดอาจจะเป็นสื่อโซเชียลเปิดเฟซเปิดไลน์เปิดอะไรเจอเขาบอกทำนายไทยทักคนที่เกิดวันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ี่คุณจะเป็นงนี้เชื่อไปด้วยหรือบางทีมุสลิมเราเองเนี่ยแหละครับที่ว่าดื่มสุราแล้วก็เมาไมาแล้วก็ทาร้ายกันพูร์เลา บ, บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการงานของชชยตอนแปลว่าใครก็ตามที่ทำเขาก็ทำการงานของชชยตอนด้วย เหมือนกับการบริโภคมือ้ายท่านอบีบอกว่าไงครับท่านอบีมัสยดบอกว่าพวกท่านจงอย่าได้บริโภคกินดื่มด้วยกับมือซ้ายเพราะใช้ตอนกินดื่มด้วยกับมือซ้ายแต่ก็เป็นหน้าที่หน้าหน้าเสียดายน่าเสียใจนะครับที่เราจะพบว่ามีมุสลิมอยู่กลุ่มหนึ่งจํานวนไม่น้อยที่ว่าเขาชอบอ้างว่าเขาถนัดซ้ายถึงเวลากินดื่มก็กินดื่มด้วยกับมือซ้ายจะถนัดซ้ายยังไงไม่ใช่หมายความว่าใช้มือขวาไม่ได้ ผมไม่ได้บอกว่าห้ามถนัดซ้ายคือบางคนเขียนถนัดซ้ายทำอะไรถนัดเพียงแต่ว่าโดยเฉพาะการกินการดื่มท่านอบีห้ามชัดเจนบอกว่าอย่าทำเพราะชัยตอนมันทำบางคนก็ไปเรียนแบบชัยตอนมีครั้งหนึ่งมีวัยรุ่นคนหนึ่งกินข้าวก็กินเมามันก็กินด้วยกับมือซ้ายท่านนาบีก็เตือนครับบอกว่าอย่า ก, กินด้วยมือซ้ายสิให้กินด้วยมือขวาเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าไงครับสวนนบี พูดสวนนบีมาเลยบอกว่าฉันไม่ถนัดนี่ฉันไม่ถนัดมือขวาฉันจะกินมือซ้ายเถียงนบีบาปใหญ่เลยนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเด็กหนุ่มคนนั้นไม่สามารถใช้มือขวาได้อีกเลยดีไปเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเป็นห่วงแล้วก็อยากเตือนพี่น้องที่รักทุกท่านครับหลายครั้งริสกีความโปวดปานที่พวกเราให้กับเรามา แล้วเราไม่ให้คุณค่ามันพวกอัลเลาะห์อา จ, จเจามันไปจากเราอย่างบางคนอาหารมีทานบอกไม่ทานไม่เอาฉันไดเอทฉันนั่นฉันนี่คือถ้าจะไดเอทก็อย่าซื้อมาตุนไว้เยอะแต่ถ้าอาหารมีอยู่แล้วถ้าเราอ้างคําว่าไดเอทหมายความเราจะทิ้งอาหารใช่ไหมไดเอทกับทิ้งอาหารหลายคนเลือกที่จะไดเอทแล้วทิ้งอาหารทั้งๆ ท, ท, ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กดกิ้วนะแล้วเราวังเมื่อถึงเวลาพวกอัลเลาะห์จะทําให้เราไม่สามารถจะกินอาหารได้ทั้งๆที่อยากกิน ผมไม่ได้สาบแช่งผมไม่สาบแช่งใครเพียงแต่ว่าผมเจอมาเยอะแล้วเป็นแบบนี้ถึงเวลาอาหารอยู่ต่อหน้ากินไม่ได้อาจจะโดนห้ามอาจจะเป็นความดันอาจจะเป็นโรคเบาหวานอาจจะเป็นอะไรสารพัดตอนที่กินได้เนี่ยก็มัวแต่เลือกกินพอถึงเวลากินไม่ได้ปุ๊บก็มานั่งเสียดายอันนี้เป็นสิ่งที่บางครั้งพวกเราให้เห็นตั้งแต่ในดุลยาเป็นสิ่งที่บางครั้งพวกเราก็เห็นตั้งแต่ในดุลย์เ า, พ เ, า, เ, ญญาเพราะนั้นครับพี่น้องที่รักถ้าเราสังเกตดู มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเลยที่ว่าหัวใจของเราเนี่ยมันส่งผลได้ขนาดนี้เห็นด้วยไหมครับหัวใจของเราสามารถส่งผลเป็นแรงผลักดันให้เราทําอามันให้เราทําการงานที่ดีจนเราเป็นที่รักของล้อได้ในขณะเดียวกันก็ทําให้เรานั้นอยู่ในสภาพที่ต่ํากว่าสัตว์ได้ในขณะเดียวกันก็ทําให้เรานั้นอยู่ในระดับเดียวกันกับไชตอนได้ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหน อ, อีกแล้วที่จะเหมือนกับมนุษย์ อินหูแกนะลอรูมันเจหูแหละมนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากดินเนี่ยละครับมีแค่ดินกับน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าหัวใจของเรานั้นที่พระงสร้างมากับมีความละเอียดลึกซึ้งที่ว่าเราต้องควบคุมมันไปตลอดชีวิตของเราพระละแได้ก่าวในกุรานเขาว่ายาอิย oh an oh oh um ุนดีนาอามนุษย์ตะคุลละฮะวันจันทรนับซุนมาคัดดมัตลรวะตุลละอินนัลละฮขาบรุนบมาต้าอัมน สัทธาชนเอย๋ยจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วก็จงดูให้ดีว่าเจ้าได้เตรียมอะไรไว้แล้วบ้างสําหรับวันพรุ่งนี้วัลตันรุดนับซุนมาคัตดามะลีรัดแต่ละชีวิตแต่ละจิตใจหมายถึงตัวผมพี่น้องทุกท่านพอลอสสั่งพวกเราว่าให้ดูให้ดีว่าตอนนี้เราเตรียมอะไรไว้เพื่อพรุ่งนี้ของเราบ้างคําว่าพรุ่งนี้สําหรับมุสลิมไม่ใช่พรุ่งนี้คืออีกวันหนึ่ง แต่หมายถึงวันกิยามะที่เราต้องไปอยู่ตลอดกันเช่นเดียวกับที่ท่านอับดุลสลัมได้บอกไว้ครับว่าอัคซีรูดิกราฮะดิมัลลาดดพวกท่านทั้งหลายจงพยายามคิดถึงสิ่งที่ทำลายความสุขให้มากพี่น้องรู้ไหมครับว่าอะไรอะไรคือตัวทำลายความสุขตัวทำลายความสุขก็คือการลํำลึกถึงความตายน่แหละครับถ้าเกิดเราคิดว่าถึงเวลาเราจะต้องตาย ความสุขที่มีมันจะน้อยลงท่านอบีก็บอกว่าจงคิดถึงความตายให้มากแล้วใจเราจะสงบขึ้นแล้วใจเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญกับมันอย่างแท้จริงซึ่งอินชาอัลลอฮ์ครับในครั้งหน้านะครับเรามาพูดถึงการตรวจสอบจิตใจตัวเองอย่างแท้จริงนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วทำอย่างไรที่เราจะมองดุลยาให้มันเป็นเพียงแค่ดุลยาอย่ามองให้ดุลยานั้นเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราไม่งั้น เราทุกคนนั้นจะเสียหายครับสําหรับวันนี้ครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาสลามนะครับก็ไวริคุมสาลามรับตุลลอห์วะบารักกาตุ่มีท่านเข้ามาทักบอกว่าขอมับนะครับมาเรียนช้าก็ผมก็ต้องขอมับด้วยเพราะ อ, อวันนี้ผมก็ไล่ช้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ขอดโดยจากพวกเลาครับให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้รับฟังทางนําแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากสัจธรรมนั้นแล้วก็โดยเพาะคัมภีร์อัลกุรอานนะครับขอให้เรานั้นได้ประโยชน์จากอัลกุรอานอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่่อยู ใกล้เคียงอยู่ในกลุ่มของบ่าวที่ว่าพูอัลล์รักเขาแล้วเขาก็รักพอัลลอ์ด้วยเถิดครับอาเมนฮะกูลูกาลีฮะดะวะสะฟุลลอฮฺฮะลีเวลฺคุมบริษัลมุสลิมินั้นคนที่ละสะฟูอินนฮวลฟระมซุบฮนาลลมฮมดิกะอัุลลาอิลาอิลันตะะสะฟุกวะตูบุไลอัสสลามุอะลัยุมรราะห์บุลลอวะบารกาตุขคุณมกคับผม